บทที่6ปัญหาวิกฤตและการแก้ไขด้วยเมตตากฎแห่งกรรมชาตะวันตกส่วนใหญ่เข้าใจผิดเรื่องกฎแห่งกรรมเขาเข้าใจว่า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 กำลังทำขนมเคก้กหญิงคนแรกมีส่วนผสมที่แย่มากๆแป้งสาลีเก่าๆที่ต้องเก็บเศษเชื้อราเขียวๆออกซะก่อนเนยที่อุดมไปด้วยไขมันเกือบจะเหม็นหืนเธอต้องหยิบก้อนๆสีน้ำตาลออกจากน้ำตาลสายขาวเพราะใครบางคนเคยเอาช้อนเปียกๆเปืเป้อนกาแฟลงไปตักมาแล้ว